ฉันทะวิยะเพียนที่อย่าทอดทิง้งประกอบเพราะว่าเพียนคือประกอบเมือกับเราประกอบวามงานนั่นแหละอย่าทอดทิ้งอย่าทิทงาท้งทุนละเพียนประกอบคิดตเอื้อใจใสเอา้อใจใสอยู่เสมอ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 ทำกับความดีความดีอาจจะช่วยเราเรารักษาศีลศีลจะช่วยเราเรามีสมาธิสมาธิจะช่วยเราเราวมีปัญญาปัญญาช่วยเราคุณเคยกันเพราะมีคนงั้นเราเลี้ยงหมาหมาก็ลักเรา เราเรื่องวัวเรื่องควายขัวควา ย, ยก็รักเราเรื่องเป็ดเรื่องไก่เป็ดไก่ก็รู้จักเราแล้ก็รับผิดชอบกันได้เอาได้เกี่ยวย่าให้วัวให้ควายกินแล้วก็เป็นความถูกต้องเราก็ชื่นใจสิ่งที่เราทําลงไปอันนี้เราช่วยเราแท้แท้น่ะ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 แม่ห่วงใยลูกอยู่ตลอดเวลาห่วงใยตลอดเวลาได้อะไรมาคิดถึงลูกก่อนได้อะไรมาคนที่เราลักเราต้องให้คนนั้นทีนี้ธรรมะไม่ลักแบบนั้นรักคนทั้งโลกรักทุกสิ่งทุกอย่างลักเม็ดดินเม็ดหินเม็ดทรายลักทุกอย่าง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 โดยเฉพาะการปฏิบัติทำใ น, นสัน้นๆเหมือนกับก้าไปทีละเก้าทีละเก้า ว, าวแต่เหมือนได้มาก็เหมือนเจ็บเอาเงินเอาเงินทีละได้ทุกข้างทุกข้างมันไม่ได้ฟรีชีวิตที่เราฟรีมามันน่าเชื่ได้ใยตาใช้หูจูบดิ้นกายใจ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 บางคนก็เปลี่ยนความโกรธเป็นความไม่โกรธจนนี่ลาบากเอาความลาบากทำไปได้ทำไปได้ให้ความให้ความใ ห, ให้การทำไปได้มันมาขวงกันมันต้องได้นี่คือความยากลาบากมันมีค่าสําหรับผู้ที่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 ไม่ใช่ความเพียรคือค่อยๆเดินย่องย่อ ง, งไม่ใช่แบบนั้นความเพียรมันต้องตรงอดงงองะไรทุกความมองอดเห็นผิดเป็นบันดิตถ้าเห็นมันผิ ด, ดเห็นทุกเป็นบันดิตถ้าเป็น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 ถึงความหลุดพ้นเหนือการเกิดเจ็บเจ็บตายต้องไปแบบนี้นะกานนี้นนจะไปสู่เหนือการเกิดเจ็บเจ็บตายได้มันต้องมอนต้องเปลี่ยนอะไรทั้งหลายทั้งหลายจากที่เราสาธทยพพิสูตร ใ น, ในฉันานชนทะในวิริยะนิจิตตในวิมังสามันเป็นตัวปฏิบัติสรุปแล้วมันคือตัวปฏิบัติคือตต้ตอบทักท่วงตรวจสอบไม่เป็นอะไรมี่จะเห็นไม่เป็นอะไรกับอะไรนเรียกว่าเป็นมากเป็นผลทันที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 นี่คือทำไมวนินัยนี่คือวิเศษนิยาไปสู่ความหลุดพ้นอย่างวิเศษจนหนือคางเกิดเจ็บตายพอไปถึงไม่เมื่อมีเกิดต้องมีควรไม่เกิดทำเป็นแล้วเมื่อมีเจ็บต้องมีควรไม่เจ็บเมื่อมีเจ็บก็มีควรไม่เจ็บเมื่อมีตายก็มีควรไม่ตายมันจะชำนาญที่ตรงนัน้นละบั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 กูเจ็บกูร้อนกูหนาวกูปวดกูเมื่ยกูหิวกูอะไรต่างๆเกิดขึ้นอีกในกายเป็นพพเป็นชาติไม่ใช่แบบนั้นถ้าเห็นสัจพะกายไม่ใช่สัดบุคคลตัวตนเราเขาจะบัเก่าไปแล้วถ้าเอากายมันเป็นพพเป็นชาติเป็นมหาภูตารูปมันไม่จบมันก็มีเป็นชาติ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 กายก็มีกว่ากายเท่านั้นจิตก็กว่าะจิตเท่านั้นที่มันเกิดเป็นอาการมีมากเป็นภพเป็นชาตินี่เลย ว, ว่าง่ายๆไปแวนถ้าเรียกว่าอาการหลา ง, ง่ายง่ายๆเหมือนของหนักเป็นของเบา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 มีอะไรอีกต่อไปมีสติแล้วแลอยู่มีสติแล้วแลอยู่สติไม่ใช่สติทำน า, าเป็นสติปฐานสติคุงกำเนิดของภพของชาติกำเนิดของภพของชาติคือตัวคือตนไม่มีภพในแบบนี้นะวะสิ้นภพสิ้นชาติ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 ฉันทะวิยากิตตวิมังสาเอาไปใช้กับอะไรก็ได้สำเร็จเหวอเมียทำต่อกัน้วยถ้ามีใช่ถ้าใช่ธรรมะอย่างนี้หลักจากนี้ก็มีความสำเร็จฉันทะพอใจเหวอเดียวเมียเดียววิยาเพียงประกอบต่อกันทำความดีต่อกันเรื่อย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 แต่แยกแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ดีอยู่เสมอนี่ทำได้สำเร็จการงานก็ทำสำเร็จทำอะไรก็สำเร็จที่ว่าทามันทำให้เกิดความสำเร็จในโลกมีเท่านี้ไม่มีอะไรอีกเป็นหลักดักแข่งขันกับโลกในโลกเขามีความสำเร็จต่างโลก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 โลกของกายโลกของลูกเป็นอันหนึ่งโลกของนามเป็นอันหนึ่งถ้ามีโล ก, โลกถ้ารักษาโลกของนามนาำมาโลกได้โลกของกายก็ค่อจะค่อจะเป็นการเยียวยาหรือต้องกันได้ยาคนหมอ ถามคนป่วยเอาสมุเอาสมุทฐ า, านเอาข้มอมูลจากคนป่วยได้สนิฐานเป็นโรคแบบนี้แบบนี้ใช้ยาแบบนี้แบบนี้นั่นก็รักษาได้แต่ลูกของสมุทรไทยคือโูกของนามโรคเนี่ยเขมีสมุทฐานมีเหตุ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 าณะเวลาชิตวิหองสามีรมนี้เป็นธรรมเป็นเครื่องมือใช้ได้เลยเยอยะแยะไปเลยเลยนีศีลก็มาช่วยสมาธิก็มาช่วยปัญญ า, าก็มาช่วยศิลคือปกติมันหลงไม่ปกติข้อไม่หลงปกติศีลมาสมาธิคือมัน่นใจตั้งมั่นอยู่เสมอ ทำอะไรก็ชัดเจนแม่นยำแล้วสมาธิบอกจากบ้า น, นปิดประตูหนะ้าตามสกุเจมีสมาธิปัญแจกจากกระเป๋ามีสมาธิเมื่อแม่นอนแล้วแม่นยำชัดเจนนี่สมาธิปัญญาลอบลูกเข้าเดียวกันทันที่ทำสำเร็จตั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาทั้ง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 พระสงฆ์ทั้งหลายก็บอกว่าใบ้านในป่ามีจำนวนมากใไม้ในกำมือไม่สามารถเปรียบเทียบใบไม้ในป่าได้นี่และสิ่งที่เรามาสวมีเท่านี้กำมือเดียวเท่านี้อันมบไม้ทั้งป่าเป็นส่วนประกอบใหญ่ที่สุดคือสติสมบัะชฉัญญเาเหมือนลอยเท่าของช้าง ทำเมือืเนเหมือนเราเช่าของสัตว์อื่นรวมลงราที่เราเช่าของชางได้เป็นความไม่ประมาทสติเป็นความไม่ประมาทมีสติเป็นนา่าโลกไม่เผลอเหมือนพระขีนาศกผู้มีสติเป็นวทนยัยขีนาศกคือพระอรหันต์ผู้มีสติอรหันต์ไม่ใช่งอเหินเดินฟ้าไปไหนผู้มีสตินา่าโลก